ควานดีทุกเราทุกคนที่เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาเราทุกคนก็เคยได้ยินได้ทำธรนมะ คำสอนจากครูบาอาจารย์กันมาหน้าทุกคนแล้วโดยความเห็นในเรื่องกา ร, ปรพปฏิบัติภาวนาในทุกการบรรลุผลก็ได้ให้ความเห็นในแนวทางการปฏริบัติพอสมควรความจรนั้นเรื่องการปฏิบัติภาวนาก็อยู่ที่ ตัวของพวกเราเองที่จะมีความตั้งใจปฏิบัติธรรมขนาดไหนเมื่อพวกเราทุกคนให้หลังเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ของพวกเรานั้นก็ต้องมีความอดทนในการที่จะการลดความเพียรอยู่เสมอไม่ต้องให้บอกไม่ต้องให้บังคับ ข้อละประพฤติบัตรต่างๆในแต่ลระสับขรักนั้นก็แตกต่างกันไป็นรุ่นี้น้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วข้อจะพฤธิบัตรตามธรรมวินัยเนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นหลักเกณฑ์เป็งดำเนินในศีในสมาธิในปัญญา เมื่อพวกเราเข้ามาศึกษามาปะพุทธิภัตเราก็พยายามสนใจในข้อวัตระพิธิบัริอย่าให้สาสตร์กหลบก้องในการการศึกษรักธรจมนูัของเราจิดภายนอกก็เรียบร้อยไม่ละเลยผิดภายในคือการบำเพ็ญภาวนานั้นเมื่อเราไม่หวังมาปะพุทติภัตแล้ว การําเพียงเปลียนภานานั้นต้องทําความเพียนทุกทุกวันอย่าประมาทอย่าปล่อยวันเวลาให้ลื่งเลยไปโดยเปล่ายนเมื่อ mm. เราเข้ามาปฏิบัติแล้วการจะทําความเพียนเราต้องทาความเพียนด้วยความมีสติรักษาจิตใจของเราในทุกๆๆทุกขั้นตอน เมื่อมีโอกาสมีเวลาที่จะกระทำให้มากขึ้นในเอเยบทด้านสมาธิข้อกระทำให้มากในเอเรบทการเป็นมุ่งกรข้อกระทำให้มากจึงจะเกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของวกเรานั้นโดยปกติแล้วเ่นใจของเรานั้นยังไม่รู้ จากอารมณ์ไม่ร yes. uh, ู้จักความจริงของเรื่องกิเลสภาในใจเราใจของเราก็เป็นกิเลสไปทั้งหมดไม่ว่าจะคิดไม่วายจะพูดไม่ว่าจะกระทำอะไรก็เป็นกิเลสไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจึงต้องฝืนใจฝืนกิเลสไม่กระทําอะไรตามกิเลสไม่พูดตามกิเลสหรือไม่คิดไปตามกิเลส ทันหน้าของความหลงต้นขอน้อนอาจิตใจเรายู่เพราะฉะนั้นเรามาฝูทางทวน ก, กระแสของเกลียดทวนกระแสของอารมณ์มีปติเข้าโาดยใจขงเรานี่แหละกิเลสนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่กุติที่ภราเกิดขึ้นที่ใจของเรานี่แหละเมื่อใจเรามีความโลภมีความโกรธมีความปพอใจมีความไม่พอใจ มีความกำนักยินดีในรูปหรือราคาเกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติออของนิรันเราทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจองเราไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นเมื่อเกิดขึ้นที่ใจองทุกคนถ้าเรามีปฏิย้อนกลับมาดูใจของเราเราจะสามน้าที่จะเห็นกิเลสได้ง่ายขึ้น ไม่ปล่อยจิตใจของเรานั้นไปกับอารมณ์ทั้งหลายนั่นเป็นความเคยจินขอจิตซึ่งวิ่งตามอารมณ์หรือยึดถืออารมณต่างๆก็เป็นใจของเราจะเป็นอารมณ์ตามอยากทั้งหลายความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจมีรูปเสียงจิตรสสัมผัสต่างๆจิตเราก็วิ่งไปกับอารมณ์ยึดนั่นถือนั่นในอารมณ์ทั้งหลายว่าเป็นใจของเรา ความทุกข์จึงเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยายามที่จะมีปติตามสิทธิสัจประจันดันภายนอกทำข้อรักต่งางๆให้เรียบร้อยมีสติในการที่จะเฝ้าดูจิตใจของเราทุกๆขณะจิตตั้งแต่เตื่นแต่จังรัดมีสติเฝ้าดูความรู้สึกเมื่อคิดไปในใจของเราไออ้าใจ่องเรานี้ คิดไปนในเรื่องอะไรใจเรานี้มีสิเลนหรือเปล่ามีความอยากมีความโลภมีความโกรธมีความไม่พอใจมีราคะความกนหนัดยินดีหรือเปล่ามีความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเปล่าถ้าเรามีปติเข้าดูใจของเราทุกๆเอระยเข้าที่จะกระทำได้ เมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจนี้ถ้ามีส ต, ติเฝ้าดูเราก็จะเห็นกิเลสเห็นหนอารมณ์ที่เกิดขึ้นภาในใจเรานี่แหละเมื่อติดเราเห็นกิเลสภายในใจของเราเมใจเราเกิดกิเลสเกิดความอยากเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความกำหนัดยินดีในรูปเสียงสิ่งสัมผัสต่างๆ เมื่อเรามีสริเข้าดูเราเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเ ห, เห็นเหตุเป็นเกาอันก่อให้เกิดความทุกข์คือความพอใจความไม่พอใจเราก็หาอบ า, ายปัญญาพิจารณาละรางอารมณ์ต่างๆไปจัดใจของเราทุกๆขณะจิตแต่ถ้าอุบ า, ายปัญญาไม่เกิดขึ้นไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์ต่างๆได้ท่านจึงให้สุดขัด กำหนดขณะที่ภาวนาหรือกรรมฐานซึ่งเราภาวนาทุกทวันการแต่ผลิตของแต่ละบุคคลการดำพิมพ์ภาวนาต่อพวกเราโดยปกติก็กำหนดอาณาตาเมติตหรือกำห น, าานดอยูลงไหลใจพ่อหรือภาวนาพุทโธซึ่งเป็นกรรมฐานซึ่งเป็นการเมื่อเราพราาิจารณาเรื่องต่าง ด้วยปฏิด้วยปัญญาไม่สามารถที่จะละรางอารมณ์ออกได้แล้วเราก็กหำหนดทำสมาธิภาวนาตัดอารมณ์ น, นั้ น, นออกไปกำหนดสมาธิทำปฏิให้ต่อเนื่องทำสมาที่อยู่เสมอเสมอนั่งส ม, มาธิก็กำหนดปฏิอยู่กับกรรมาฐานที่เราภาว น, น, น า, เาเดินคงโคมก็มีปติในการก้าวเดินหรือทำหน้าที่การงานอะไรก็มีปติ กำหนดจิตให้เป็นสมาธิอยู่เสมอเสมอเมื่อจิตเรามีสมาธิเสรื่ขึ้นมีความตั้งใจมั่นเสรื่ขึ้นภปยในใจเราปิติก็ตั้งมั่นเมื่อตายเห็นรูเปเกิดความพอใจเสรื่ขึ้นปติติปัญญาก็พิจารณาละอารมณ์นั้นออกไปจากใจงเราได้เห็นรูปวัตถุทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยง เนรูปสิ่งที่มีชีวิตก็พิจารณาเห็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนเสียงกินรสสัมผัสก็เหมือนกันถ้าจิตเราเกิดกิเลสเกิดความพอใจจิตของเรามีฐานของสมาธิไปพื้นฐานก็จะเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตเสริมขึ้นและจิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ต่างๆเหล่า น, นั้นต่อยวางอารมณ์ต่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไป ทำจิตให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาธรรมเมื่อเร า, เาพิจะมาปล่อยวางอารมณ์ความยินดีในลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่อไปทุ ก, ท, กทุกขณะจิตที่มีอารมณ์ใจของเราจะเป็นกลางหรือความไม่สอใจในลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเกิดขึ้นทุกขณะจิตไปในใจของเราปฏิปัญญาเราเห็นอารมณ์ต่างๆนั้น ก็หาวายทิศนาให้เห็นคามไม่เที่ยงของอาการเหล่านั้นเพื่อที่จะทำจิตให้เป็นกลางหรือวิญาณปัญญานี้เกิดขึ้นก็กําหนดกรรมฐานที่เราตานาเพื่อให้จิตของเรานั้นมีกำลังความสงบหรือปัญญาที่ทำเมื่อจิตเรามีการสงบแล้ว เมื่อกายเหรูปหูดีินเสียงอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจนี้จิตของเราจะเห็นนาการของจิตทุกสิ่งทุกอย่างหรืออารมณ์ท้่เกิดขึ้นภายในใจของเราเราก็สามารถที่จะพิจารณาละวางอารมณ์ความโลภด้วยการเกิดเปล่าไปอารมณ์ความโกรธเราก็ใช้อุบายเฉลิมเมตตาให้ภัยรึ่งกันละกันํทาจทิตใจเรานั้นให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย อยู่เสมอๆสอาอยาความกำลบบันดีเราก็พิจารณาในรูปให้เห็นเป็นปฏิกูลให้เห็นดูสิ่งที่ไม่สวยไม่งามใจเรานั้นจะได้เป็นการเมื่อเราพิจารณาลงอยู่ทุกๆวันหรือทุกๆขณะติดที่เราจะมีสติหรือความระลึกได้เมื่อขาดสติก็แล้วไป แต่ว่าถ้าเรามีสติคือความระลึกได้เมื่อไหร่ถ้าเห็นความทุกข์เห็นกิเลสก็อยู่ที่ใจ เ, เรานี่แหละเมื่อเรามีสติเห็นกิเลสภายในใจเงเราคือมีความหมดทนมีความหมดกัน้นที่จะไม่ปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ทั้งหลายมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ต่างๆออกจากใจของเราหรือสลับกับการกําหนดทําสมาธิภาวนา เพื่อที่จะละอารมณ์บริจาแใจงเราอยู่เสมอเสมออารมณ์ขึ้นยากหรือกิเลสที่เป็นของอยากคือการโลภซึ่งโดยปกติแล้วก็โลภในด้านวัตถุถ่าทั้งหลายท้ายที่สุดสัมมณีนก็โลภในปัจจัยสีมีความอยากก็พิจารณาในปัจจัยสีให้เป็นธาตหรือคนผู้ใจใส่ยปัจจทั้งสี ที่รอดินระบาดเนาสนาชณะยารักษาโลกนี้ให้เห็นเป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุมีความโกรธมีความไม่พอใจคอยปเมินเมตตาพิจารณาละอารมณ์ที่มีเดียวจากใจของเรามีราคาาระความกำหนัดดีคอยพิจารณา ก, ยกายุตปาสติหรืออาการสางสองเป็นเพ่อแฝด เพื่อให้จิตนั้นหมดความต้องการในอารมณ์ราคะความกังหนักยินดีขงไว้ด้วยสมถะในเบื้องต้นถ้าเรามีปุตติมีปัญญาพิจารณารมอยู่เสมอๆในทุกๆวันเราจะเห็นว่าการกาหนดพิจารณาดูอารมณ์ภายในใจเรานั้นถ้าเราพิจารณากับเพียงอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้น คือความพอใจความไม่พอใจอในรูปเสียงสิ่งสัมผัสหรือความอยากหรือกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเราก็ไม่สามารถที่จะทำลายอารมณ์หรือละลางอารมณ์ได้โดยเด็ดขาดเพราะอารมณ์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัเป็นเหตุถึงปัจจัยเช่นกันละกันตาเมื่อเห็นรูปก็เกิดอารมณ์ขึ้นภายในใจ ไม่ได้ยินยยเสียงก็เกิดอารมณ์ขึ้นภายในใจเง้านี้เมื่อรู้เปลี่ยนไปเราก็เกิดอารมณ์อย่างหนึง่งเมื่อเสียงเปลี่ยนไปก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาอีกเมื่อมีการจบสิ้นการที่เรามีปัจจุมีปัญญาพิจารณาอารมณ์ภายในใจของเรานั้นเราต้องทํางานทุกๆขณะจิตทุกๆอย่างเพราะการพิจารณาระวางอารมณ์นั้นละวางได้ถึงเชื่วถ่ายเท่นั้น ถึงแม้ว่าเราจะทําสมาธิข่อมอารมณ์ต่างๆไว้ความสงมบของสมาธินั้นก็เพียงข่มไว้เพราะว่าการทําสมาธิให้จิตประงบนั้นก็ยังมีอาการทําเข้าไปและวถอนจิตออกม า, าตามธรรมชาติจิตก็ยังหว่อนไหวกับลมนั่นดีเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ย้อนทวนกระแส ข, ของจิตมาพิจรารณาร่างกายให้เห็นตามความจริง สิ่งที่เป็นอุปสัก์ในการมันเป็นภาวนาของพระพุทธุส้าสมณะเราก็คือความกำหนัดยินดีในรูปหรือที่ได้เวลาคะควากรรมกำหนัดยินดีเราจะแก้ไขอย่างไรเมื่อเกิดลาคะความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นนักบากทั้งหลายต้าก็ให้จิตมากายตตาสติ หรืออาการจุดการจุสองเนี่ยเป็นเครื่องะระงับโดยพิจารณาสุภาษกรรมฐานเพื่อที่จะตัดความต้องการออกไปจากจิตใจของเราถ้าเรากำหนดพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นปฏิคูลได้กำหนดจิตเราให้เห็นนองกายบุคคลอื่นให้เป็นอสุภาษกรรมฐานได้ความต้องการนั้นคก็จะดับลงไป เ้าความรู้สึกไปยในจิตของเรานั้นเห็นคนทั้งหลายหรือลูกผู้หญิงลูกผู้ชายเป็นปฏิกูลหรืเป็นอรุยภาพความต้องการก็จะดัตรงไปจากจิตแสงเราแต่กิเลสนั้นไม่ได้ดับลงไปอารมณ์นั้นมัมีอยู่เป็นเพียงข่ไว้ด้วยกรรมฐานเท่านั้นการพิจารณาร่างกายหรือการพิจารณาอริยกรรมฐาน เบื้องต้นนั้นเป็นเป็นสรรมะข่มได้แต่การที่จะละการที่จะปล่อยวางนั้นก็ต้องพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาหรือหเห็นาการเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความแตกสลายเป็ในที่สุดของร่างกายาของเราของร่างกายบุคคลนี้แต่เบื้องต้นนั้นถ้าบุคคลทั้งหลายก็พิจารณาร่างกายให้เห็นชัด ก็ต้องทำกรรมฐ า, านกรรมฐานคือทันตนาธิปวนาให้จิตของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นเมื่อจิตของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นบ้างพอสาควรเราก็กําหนดปฏิปัญญามาพิจารณาเข้าควรในร่างกายของเราหรือร่างกายของบุคคลอื่นในเบื้องต้นให้เห็น ในอาการ 3.2 ผลวลลดกาหนังพิรนาร่างกายตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่พูมเท้าขึ้นมาเรื anes, life life life life. Life life life. ่องต่ำตั้งแต่ตายผมลงไปในส่วนต่างๆของร่างกายให้เห็นเป็นปฏิโูลให้เห็นเป็นสิ่งที่ไม่เวยไม่น่าถ้าเราพิจนาในเรื่องต้นแบบนี้ด้วยการมีปัจมีปัญญา จิตของเรามันก็จะเกิดความตัวตั้งเลทเกิดความเบื่อหน่ายเกิดปิติเกิ ด, ด, ดขึ้นถ้าพิจารณาเห็นชัดจิตก็รวมเป็นสมาธิลงไปอีกเมื่อจิตของเรานั้นรวมเป็นสมาธิลงไปจิตของเราก็จะมีกําลังเมื่อถอนออกจากสมาธิเราอยากจะพิจารณาไข้ความในร่างกายของเราข้อพิจารณาในอาการสามลึกสองก็ได้ ก็ค่อยๆลงไปด้วยความมีสติมีปัญญาเจตจพิจารณาแยกแยะส่วนต่างถึงแม้ว่าจะไม่มีนิดๆอสุภกรรมฐานเป็นเรื่องต้นแต่ถ้าเราใช้สติปัญญาค่อยๆไปเรื่อยๆบางครั้งเมื่อจิตของเราสงบเป็นสมาธิสภาระรรนต่างๆก็อาจจะจดขึ้นมาได้มิด อาสุภกรรมฐานก็อาจะเกิดขึ้นมาเองได้โดยธรรมชาติเมื่อจิตของเราสงบอาจจะเห็นร่างกายของคนคนกระดูกร่างกายของเราเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเห็นร่างกายบุคคลตนเป็งมาสุภกรรมฐานก็ได้ด้วยอำนาจของสมาธิปจิตปัญญายทึ่พิจารณาอยู่เสมอเสมอเมอืม่อจิตสงบ ก็จะเห็นเป็นมนิจฉเห็นเป็นสภาวะทันต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาร่างกายให้จิตเข้าสู่ความสงบหรือเมื่อจิตสงบแล้วยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความจริงในร่างกายของเหล่านี้ว่าร่างกายเหล่านี้ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุาาลมธาตุไฟจิตของเราก็จะค่อยๆต่อยางความยึดมั่นถือมั่นทีระเล็กทีละน้อย อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นอารมณ์ความโลภความโกรธก็ค่อยๆบรรเทาบาลงไปหาคะความกระหนัำยินดีในรูปก็ค่อยๆบรรเทาบางลงไปความต้องการในรูปนั้นสำหนดได้ก็ต่อเมื่อเรามีกรรมฐานเกิดขึ้นภายในใจเราคือเห็นร่างกายบุคคลเด่นเป็นปฏิกูลหรือเป็นอภิชากรรมฐานอยู่ไปในจิตของเราอยู่เสมอ แต่ารมณเพิ่งมีอยู่ภายในใจเหล่านั้นถ้าเรากำหนดสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอถึงแม้ว่ากตายลูบอารมณ์ไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาเราอยู่กุติของเราหรูออยู่ในญาติทั่วไปบางครั้งอยู่เฉยๆอารมณ์ความกำหนัดดีๆเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีกรรมฐานที่เราตอมาซึ่งเราซักซ้อนพิจารณาร่างกายอยู่เสมอ กำหนดพิจารณาสุภะกรรมฐานอยู่เสมอเมื่ อ, อลมเกิดขึ้นภายในใจเราสติปัญญาก็เข้าพิจารณาร่างกายของเรานี้ให้เห็นเป็นปฏิปูลให้เห็นเป็นลายสุภะกรรมฐานจนกระทั่งเป็นเป็นธาตุสี่หรือพิจารณาเข้าไปสู่ความว่างอยู่เสมอเสมอามการกำลังสติปัญญาของเราซึ่งจะพิจารณาเข้าไปเห็น จิตของเราเน้นจริงจะค่อยๆถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้ในเบื้องต้นนั้นการพิจารณาร่างกายก็หมดเพียงมรณานุสติหรือพิจารณากายกตาสติปต่เพียงนี้ก็ได้ถ้าจิตเห็นชัดก็จะมีความเชื่อว่าร่างกายนี้ไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้แต่ไม่ใช่มีความเห็น ก็พราะสมาธิภาวนาเมื่อจิสตสงบไม่จิสตสงบก็เหมือนกับว่าไม่มีร่างกายอันนั้นไม่ใช่ด้วยปัญญาที่จะปล่อยวางอุปทานของร่างกายแต่เมื่อจิสตสงบลงไปแล้วบางทีก็เหมือนกับว่าไม่มีร่างกายอันนั้นเป็นความสงดของสมาธิแต่ความสงบของปัญญานั้นใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาให้ควร ในกยายสัากัสติมีอาการสองลิขสัมให้จิตเรายอมรับให้จิตเราเห็นภายในจิตของเราว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยมร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนจิตเราก็จะค่อยๆปล่อยวางคัามยึดมั่นถือมั่นลงไปเมื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นบอย่างลงไปถึงแม้ว่ายังมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างากลางหรือยอย่างละเยียดอยู่ยยก็ตามการพิจารณราร่างกายนี้ ก็ไม่ใช่ว่าจะพิจารณาแต่เพียงไม่ขีดครั้งแล้วจะหยุด ก, การพิจารณาร่างกายนี้ต้องพิจารณาซ้ำๆๆจนกระทั่งจิตเห็นชัดประจักษ์ขึ้นไปในใจของเราในทีละส่วนทีละส่วนหรือแต่ละขั้นแต่ละตอนเป็นลาดับไปถ้าจิตอากจะพิจารณาเรื่องใดในเรื่องของรององ่างกายก็พิจารณาไปเลย อยากพิจารณากระดูกก็พิจารณาไปอยากพิจารณาหมังก็พิจารณาไปอยากพิจารณาส่วนต่างๆไปในร่างกายก็พิจารณาไปเอาสติเอาปัญญามาใส่จใจให้เห็นความจริงของเรื่องร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่สัตนจิตจะได้ค่อยๆป่อยางความยึดมั่นถึงแน่นลงไปการพิจารณาร่างกายอย่างกลางนั้น ก็คือการพิจารณ า, าสุภากรรมฐานเข้าสู่ธาตุกรรมฐานในระดับนั้นความสดสำเร็จไม่เกิดขึ้นจิตที่จะพิจารณาสุภากรรมฐานเข้าสู่ธาตุนั้นก็ค่อยๆนลงไปจนกระทั่งจิตตรงอยู่ในสภาวะของความสุขของสมาธิแล้วกำหนดพิจารณาสุภากรรมฐาน แยกเยอะให้เป็น่านดินท่าต น, าน้ำธาตุลมธาตุไปลงไปเป็นข้าประสูตความว่างโดยธรรมชาติของจิตซึ่งเห็นชัดแล้ว่อยวางไปหยุดการพิจารณาเองการพิจารณาเนี่ยก็ต้องพิจารณาตามธรรทชาติขณะที่เมื่อเห็นชัดในาาา ก, การพิจารณาตากรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ค่อยๆละเอียดเข้าไปเมื่อผ่านด่านกลางก็พิจารณาอย่างละเอยียด พิจารณาธาธรรมฐานนงไปจิตตรงอยู่ในความสุขทะลุเข้าไปสู่ความว่างจนจิตเป็นเบญฐานพิจารณาธรรมธรรมาตธรรมชาติของการพิจารณานั้นก็จะค่อยๆป่อยวางส่วดละเอียดลงไปทีละทีน้อยจนกระทั่งถอนออกมาเห็นจางในปฏิบันนี้ก็าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเห็นาาก็ตักตะล่าเห็น เห็นกายเราร่างกายบุคคลเด็กก็รู้ว่าเป็นสิ่งโสกตบเป็นปฏิกรูนประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไม่ต้องพิจารณาแยกแยะรวมไปถึงอริยกรรมฐานหรือธาตุสมถานเพราะจิตถอนตัวออกมาคือเล็กคืน้อยเมื่อจิตรู้ความจริงของร่างกายของเราร่างกายบุคคลเด็กพิจารณาตั้งต้นตั้งจนเห็นชัดก็ะจัดขึ้นทางใจ ก็จะต่อยางความวึดมั่นในร่างกายขึ้นเป็นอดีตในร่างกายขึ้นแตกสลายเป็นมนุษย์หรืร่างกายในปัจจุบันของเราของบุคคลเดิเมื่อถอนติดออกจสภาวะเช่นนี้ความโลภ ก, ก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปราคะความกำหนัดดีในโลกนั้นก็ดับลงไปตัวปิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็ประกอบไปด้วยธาตุดิานธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ประชุมกันขึ้นมาเปลี่ยนผู้กาเท่านั้นจิตนี้จะเห็นทะลุไปเลยเหมือนโลกทั้งโลกรากเลือดเป็นหน้ากองมองทะลุอะไรไปหมดเห็นาาสัตธรามเป็นแระเพียงท่าตางธรรมชาตจิตซึ่งเห็นสาัาธรเป็นน้ำเป็นความสุบซึ่งเยกเย็นมากเป็นความสงบตลอทั้งนันทั้งคืนคเป็นคารเยกเย็นทั้งนันทั้งคืนด้วยปัญญาซึ่งเห็นชัด ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราในร่างกายบุคคลอื่ในวัตถุท่าทั้งหลายเดินไปในท่ามการทางสมสัมไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรือไม่พอยไม่พอใจหรือว่าพอใจหรือไม่พอยใจในโลกเสีย ง, งสิริรสั่างปล่อยวางความยึดมั่นถือมัน่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ออกไปใจากใจของทุกคนนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ฝึกหัดพิจารณาร่างกายเข้าไสู่ความสงบหรือเมื่อจิตสงบแล้วจิตถอในออกจาสมาธิยกร่างกาย ข, ขึ้นมาพิจารณาจิตจะค่อยๆเห็นชัดในการที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปอารมณ์ต่างๆซึ่งเราเคยติดขัดติดขอด้องอยู่ก็จะค่อยๆปล่อยอวางลงไปหรือค่อยๆดับลงไป แต่ธรรมชาติของอารมณเหล่านั้นก็เป็นปกติอยู่แต่ไม่มีปัญหาคือความอยากอยู่ภายในใจแต่อารมเรืออาการของจิตนั้นก็มีอยู่แั่แต่วาสภาวะธรรมเกิดมีการเกิดขึ้นแล้วก็มีการดับไปจิตจะใช้สมมตินั้นก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เหมือนนักแสดงละครทึ่เก็เล่นรายการบทบาทที่เขาให้แสดงเมื่อเล่นแสดงแล้วก็วางไว้ อันนี้การประพฤติกา ร, รปฏิบัติต่นาถ้าทิ้งในเรื่องของการพิจารณาร่างกายก็ไม่สามารถที่จะทำลายความยินดีในรูปหรือราคะความกำหนัดยินดีซึ่งเกิดขึ้นไปในใจเราได้เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนไม่พยายามสุดหัดอบรมจิตใจเหล่านั้นให้มีสมาธิเสร็จแล้ว ใจของเรานั้นก็จะเสื่อมถอยจากการบำเพ็ญภาวนาคิดไปแต่เรื่องเล่าสาระคิดไปแต่เรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์คิดไปในเรื่องอดีตด้างในอนาคตดด้างคิดในสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทำลายจิตใจของเรามีแต่ร่า ส, สนจิตไปกับลมทั้งหลายเท่งท้วทุกคนอื่นได้ไม่เท่งท้วตูจิตใจเจของ ร่างกายเรานั้นดีหรือไม่ดีนักประฏิบัติคึงมีปติมีปัญญาดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอเมื่อเรามาอยู่รวมกันเราก็ทำจิตจะรักข่อรักต่งกางเพื่อความสงดเพื่อความยียิร้อยในการอยู่รวมกันเพื่อที่จะเป็นเหตุผลไปเกื่อหนุนในการประพัติการปฏิบัติภาวนาของแต่ละบุคคล ถึงแม้ว่าอยู่รวมกันก็ให้ปญัญญาสังรวมจิตใจเราการคุกคีต่างๆก็ให้น้อยลงไม่มีการจาเป็นก็ไม่ต้องพูดคุยกันมากนักกระพฤติปฏิัตนั้นถ้าบำเพ็ญภาวนาจริงๆก็ไม่อยากพูดคุยกันมากเท่าไหร่นอกแต่ว่าไม่ค่อยบำเพ็ญเพียพรภาวนาก็าอยากจะพูดคุยกันมากเราทุกคน ความจริงนั้นก็รู้จักแนวทางการประทุกการปฏิบัติมาตพอสมควญสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ ม, มีสติเข้าดูติดใจของเราหาทางที่จะทำลายกิเลสหาทางที่จะชนะกิเลสภายในใจของเราไม่ใช่ว่าพอตาลกความเพียรสักหน่อยตาลกความเพียรไม่กี่วันก็แพ้ถอยก็เลิกในการกระทำความเพียร ไม่กล้าที่จะลงทุนไม่กล้าที่จะต่อสู้กับกิเลสกางครั้งตั้งท่าที่ต่อจน้ากิเลสเพอตัวกิเลสเป็นงานหรือว่ากิเลสเกิดขึ้นภายในจิตใจก็ยอมแพ้นักบวชเราก็เหมือนกับทหารที่ต่อสู่สนามรบถ้าทหารไปเจอข้าศึกเกิดความกลัวเกิดความขี้ขาดก็ถอยทัพ มีภพต่ายเพราะไม่กล้าส่งสู้กับข่าศึกซึ่งอยู่ข้างหน้านักบวชเราก็เหมือนกันถ้าไม่ตั้งใจจริงในการประพฤติบัติเมื่อกิเลสเกิดขึ้นไม่มีปฏิปัญญาที่จะรักษาจิตใจของเรากิเลสเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะแก้ไขกิเลสได้ก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในเพศฆ่ากาลสัปพัก เราก็ทิ้งหรือว่าหนีท่าตึกหรือมีสิเดชที่งเกิดขึ้นไปในใจเราความจริงนั้นการที่เราทุกคนอยู่ในเทศภาคกาสปัินี้ภาคการปฏิภาคนของสมเด็จพระกรรมาสัารุญเจ้านั้นเป็นสิ่งซึ้งบุคคลซึ่งเข้ามาบวทในพระพุทธศาสนาอาศัยภาคการปัินี้ เป็นกรงทัขอ ง, งข้ารหันเท่านั้นเมื่อเข้ามาบวดแล้วต้อง่องหลังที่จะต่อสู้ที่จะทําลายเกลเอไปในใจของเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนทหารที่เขาออกโลกก็ชีวิตเป็นเดิมพันถ้าไม่ชนะข้าสุด ก, ก็ให้ตายในสนามโลกถ้าชนะข่าสุดผ่านพ้นมาแล้วก็เป็นนักโลกเด่นตายเป็นดีระเบิดเป็นบุคคลสํำคัญเกิดขึ้น ถ้าเราก็เหมือนกันถ้าจะต่อสู้กับกิเลสถ้าเจอกิเลสเล็กๆน้อยยอมแพ้ท้อถอยไม่กล้าต่อสู้ยกธงขาวยอมแพ้ก็ไม่เหมาะสมที่จะอยู่ในเศพศท่ า, ากาวสับก็สมควรที่จะออไปแต่ว่าถ้าจะต่อสู้จริงจังนั้นก็ควรที่จะปานลดความเพียรให้เกิดขึ้นมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะกิเลสให้ได้ ยอนประหลาดแม้ชีวิตนี้แต่ใดภายในเพศข้ากาศประภักก็ตามก็ยอนที่จะต่อสู้กับกิเลสจนหมดลมหายใจนั่นแหละจึงเป็นผลปูมของการประพฤติปัดไม่ใช่ว่าจะมาประพฤติปัดกันเล่เนๆไม่ฉันแล้วก็นอนไม่ตนแล้วการเพียนนักประพฤติปัดนั้นเป็นผู้ทุ่มฉันแต่พอดี มอนแต่ ก, ก็ดีทวามความเพียรให้มากเป็นหนักแห่งการปฏิบัติกา ร, รตาอรัความเพียร น, นั้นไม่ใช่ว่าขยันก็ทําขี่เก็บจไม่ทำเราต้องทํานความเพียรทุกๆวันเพียรมีสติรักษาใจเราอยู่เสมอถ้าขาดสติขาดใดก็ขาดความเพียรเพราะฉะนั้นเมื่อเราปียามมีสติรักษาใจเราอยู่เสมอ ดางครั้งกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ไม่เท่าทันเราแพ้กิเลสก็ตามเมื่อเราลึกได้ปึงตั้งใจมั่นไม่ว่าเราจะแก้แค้นเราจะชนะกิเลสไปในใจของเราไม่ใช่ว่าจะไปชนะบุคคลเด่นแต่แก้แค้นบุคคลเดิมเราชนะกิเลสไปในใจเราดีให้ได้เมื่อมีความโลภเกิดขึ้นก็จะชนะความโลภไม่ได้ เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นก็จะทําลายความโกรธทีหมันไปจัดใจเราให้ได้เมื่อมีราคะความกนหนัดบึนดีเกิดขึ้นทําให้จิตใจเรากระวนกระวายทําให้จิตใจเราล้อลุ่มก็ตั้งใจว่าเราจะทําลายราคะความกนหนัดบึนดีให้ได้อุบายกรรมฐานท่านก็มีให้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานที่พูใ้ใดต่างเมืาฟื้นี้ เราก for ็กำหนดปฏิกำหนดสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาทำลายปิณต์ต่างๆวันนั้นออกไปจากใจเราอยู่เสมอเสมอเมื่อเราตาลกความเพียรอยู่เสมอเสมอสมาธิก็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นทําไมเราจะทํายึดทาลายกิเลสไปในใจเราไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงทํางความเห็นนี้ถูกต้องข้อวัดปฏิปุปต์ต่างๆเราจะถือว่า เป็นของภายนอกเราต้องทำให้เรียบร้อยถึงแม้ว่าเราจะเห็นด้วยตาไม่เห็นด้วยตามันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เะียหายอะไรเราอยําทำอะไรตามใจของเราตามใจจิตใจของเราเพราะเรามาฝึกมาหัดมาฝืน จ, จิตใจเรานั้นเพื่มต้นนั้นก็ทำตามไปก่อนจะติดจะถูกยังไงก็ทำตามไปก่อนเพราะฉะนั้น ถ้าเราทุกคนมีความมุ่งหวังเข้ามาประพฤติปฏิแล้วปึุงปยายาปราลกความเพียรทุกๆวันอย่าปล่อยรันเวลาให้ว่วงเลยไปโดยกาประโยชน์เดี๋ยวก็ถึงสิ้นปีแล้วนี่แต่ละปีแต่ละปีก็หมดไปชีวิตของเรานั้นก็สั้นไปอย่าคิดว่าชีวิตของเรานั้นจะมีอยู่ถึงปีหน้าไม่แน่นอน พิจารณาถึงมรณานิสติอยู่เสมอเสมอเพื่อตัดความโลภความปวดความหลงออกจากใจเราเพื่อที่จะพยายามจํารวมจิตของเรานั้นให้มีปิติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนะครับอารมณ์ต่างๆก็าหาดารรยัญญาพิจารณาออกไปเพื่อให้มีปิติเป็นสมาธิอยู่ในปัจจุบันเราก็จะเห็นสิเลเห็นเหตุให้ที่จะก่อให้เกิดความทุกข์ แล้วก็จะมีดายที่จะเกิดขึ้นที่จะมาทำลายหรือระงับดักเด็ไปในใจเราได้ถ้าเราทุกคนมีสติเฝ้าดูจิตใจเราอยู่เสมอก็ให้ามคิดเห็ุในพวกเราทุกคนขอรูุ้กเด่นตรงนี้ Lord <laughs> เราลดใจตั้งใจเาลดความเพียร จ, จ, จริงๆ ต, งตัววานก็สมาธิก็ย่อมเกิดขึ้นปัญญาก็ย่อมเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ค่อยเกิดความสงบ ข, ขึ้นไปในใจของแต่และบุคคลเราก็หาเห็นว่าจิตใจเร า, จจา น, นั้นร่ำรวยจนเป็นเรื่องไร ก็บุกรุกเข้อไปในใจเราทำไมกำหนดสติกำหนดสมาธิผิดไม่กำหนดทำความเพียรบ่อยไหมเต็มกลบบ่อยไหมนั่งสมาธิบ่อยหรือเปล่าอาละวาดความเพียรบ่อยเรหรือเปล่าถ้าทำความเพียรจริงจรเป็นกันความสงบก็เกิดขึ้นครูบาอาจารย์ของเราแต่ละท่าน ก็เคยมีทุกข์ต่างทุกอย่างที่จิตเสื่อมบ้างก็มีมีความทุกข์ใจทุกข์มากอยากจะสึกก็มีแต่ก็ต่อสู้จนชนะเองหรือว่าเกิดกิเลสขึ้นมีความทุกข์ใจมากแต่ก็พิจิตตมาตาลุกความเพียรทำริงจริงจงังกำหนดกรรมฐานที่ถูกกัปจริดของแต่ละบุคคล ไม่ยอมปล่อยกรรมฐานที่ภาวนาถึงเช่นมันหลงตามาบัวในประวัติตั้งทั้งปรวัติจิตเสริม จ, จากการทำกฎแต่ว่าตอนหลังก็พุทธิจิตสมากำหนดแต่พุทโธหรู่ตลอดเวลาสมาธิ่็เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นนุ่งทำจริงจริงจังไม่ ป, ปล่อยจิตไปขับลุมเราก็ต้องทำแหบนั้นจริงจริ ง, งจัง ไม่ใช่ทำเล่นตั้งใจก็้ามาบวชมา ป, ปฏิบัติแล้วไม่ใช่ว่าทำเล่นๆการส่งกิจออกนอ ก, นอกมันต้องให้น้อ ย, ยที่สุดทุเลาต่างๆภายนอกนอก็ให้น้อยที่สุดคุณจะเห็นผลมีกิเลส อ, อะไรเกิดขึ้นในใจก็กำมันสกปรกเป็นยาพิษมาทำลายไปตลอด กับผลัของ ก, การทำสมาธิภาวนานมันจะทนไ่ได้นม่เกลีถ้าเราอดทนที่จะใค้ปัจจุบันยาภาวนาหรืออดทนที่จะ ท, ทำสมาธิทาลายเกลีดถ้าเราทนไม่ได้เราก็แพ้ใช้เปลดนในใจเราเองแต่เราทนได้ มีความตั้งใจด้วยะต่อสู้กิเลสกิเลสันก็ทนไม่ได้แต่เราอยกคิดว่ามันคือที่ว่าเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วนะกิเลสนฉลาด น, นะมันมีบา ย, ยากายเยอะมันทำให้จิตใจของถ้าเราหรืคนัหงหาติดข้องอยู่ไม่ได้พระ เราก็มาอยู่ในเทศ่อพะก็คิดว่าว่าทนจะบกิเลสแล้วล่ะไม่ติดอยู่ในครอครัวไม่ถิดอยู่ในหน้าที่การงานแต่กิเลสที่ตุดมานะภายในใจเองก็มีเรื่องต่างก็มีอยู่ฝังในใจเนาถ้าเราไม่พยายามแก้ไขก็ไม่หมดไม่ออกไปอุปสรรคต่างๆก็มีมากพอควรถ้าไม่หลีกเล่นมันเป็นเพียงภาวนาไปลื่นเกี่ยวกับเรื่อนไปนอกมากนั่นแหละคนลื่อง สิ่งที่สมวนใจที่จะรบกวนใจเราไม่สงบสมกเราทุกคนต้องรักษาจิตใจเราพยายามแสวงหาความสงบทายใจเราท้ามัในไร้เงื่อสติสมาธิปัญญาทำหน่อยเป็ น, ในใตอตส่า์ต่อสติสมาธิปัญญาแลาก็ลีกเลี่ยงไม่ใช่ว่า เมื่อตาเห็นลูกเกิดกิเลสเกิดขึ้นเราก็ไม่คำนวมจิตใจเราเห็นลูกก็าอยากจะดูต่อยจิตใจเราไปเี่ผู้ชายก็อยากเห็นลูกผู้หญิงผู้หญิงก็อยากเห็นลูกผู้ชายก็คือกันมีกิเลสเหมือนกันถ้าเราถึงต้องคํานวณเม่อตาเห็นลูกผู้หญิง ก็อยากจะดูนัาวนทาทุ่มส่วรวมอยากจะดูไม่ให้ดูมิเชียวอยากจะดูก็ดูเดินไปแล้วอ ย, อยากดูอย่างนี้ก็ไม่ดูทีเดียไปก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้อารมเองไม่รู้ใจเองแต่กติเราะห์โดยนึกคิดปงแต่อย่างนี้ไม่ใช่นักภาวนาให้กิเลสหยดยันภายในใจเรา ตั้แต่ตั้งแต่เ่มต้นลูเป็นเันตลายต่อใจขเราเราก็จำคำคำรว ม, มไม่เห็นก็ดีกว่าถ้าจําเป็นต้องเห็นลูกก็อย่าพูดหมถึงเพศตรงข้ามถ้าจําเป็นต้องพูดก็พูดตะเกีย ง, ง น, องน้อยแม้จะโมฆะก็พูดตะเป็นงก็ดีอย่าให้เกิดกิดเลสภายในใจงรา หลวงพ่อพินั่นตัดไวขนาดในยุคสมัยก่อนไม่มเห็นโทษขนาดนั้นขนาดคนสมัยก่อนมีพลังดีมากถ้ามีชี้เห็นโทษโทษของกิเดสความมีมากเราไม่ได้เห็นบางทีเห็นไกลก็วิ่งไปดูรับหน้ารับหลังเป็นเง้นหนึ่งกิเลสมันสัรวม อะไรจะเกิดสิเดชต้องพิจาราทำลายท้องเฝ้าดูใจงอารมณ์เกิดขึ้นกี่เดชก็เพิ่มขึ้นเลยปัปติเป็นยางเขาทำลายเลยไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นมาหลาขณะจิตถ้าที่เกิดภวนาก็ไปนะ อ, อยู่พล่ อ, อ, อื่นใหนอ่มาอยู่อยู่ก็ต้อ ง, งทำบัญญัิหมนคนนั่งสมาธิกำหนดปัติถัภ า, าวนาพุทโธไม่ให้จิตคิดไปถึงเรื่อง อดีตเรื่องอนาคต็นเรื่องอื่นให้กําหนดสติจดจ่อดูแต่คำภาวนาพุทโธเมื่อเรากําหนดพุทโธไปเรื่อยๆจิเพื่อเรากำหนดลงไปอารที่เราได้ฟังภาวมานั่นก็ค่อยๆหยาบบางทีว่าเมื่อการกําหนดกรบเรื่องนั้นเราก็ไม่อยากจะบริการภาวนาพุทโธการบริการภาวนาพุทโธจะหายไปก็มีสติที่ฟังนั่นจะมาแก่ มีผู้รู้เกิขึ้นมีประตูตั้งนั่งก็มีความรู้ อ, อยูก็พอแล้วถึงแม้ว่าอารมณ์ที่เราภาวนาทุทโธนั้นก็จะเป็นของอย่างก็เป็นเด่นมีประตูร้อยู่แต่ว่านี่ก็ประตูโดยผู้รู้ว่านี่ก็มีเลสอยู่เพียงแต่เป็นความสงบของสมาธิเท่านั้น การสมาธ ing, ินี้มันบางทีมันใหม่บางทีว่ามงคนก็ถนัดในอารมโดมุงโกลจิตสงบง่ายๆงางคก็ถนัดในอรมบทนั่นสณาี่ในอารมณไหนก็ได้โดนทำบ่อยๆทำไม่่าเคมน่าเมื่อเรานั่นสณาธิสต่อไประโดนมุลก็สงบม่เโดนมงโลสงบปฏิบัตการดนมงล เ่ยนมการนั่งลุกออกจากนั่งสมาธิก็็นมีปติมีสมาธิอยู่ภาในใจเงินถูกควบคุมใจเราตลอดไม่ว่าระเดนยืนหรือาำอะไรก็มีปติมีสมาธิคุมใจเราไปเหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิอยู่เลยนมนเหมือนกับเราเดินเงนนดูแต่ว่าเราทาอะไรก็มีสมาธิอยู่ภานใ มันไ่ด้ง่ายๆงทีเรานั่นสมาธิเราจิตเราสงนอารมณ์เพื่อนเกิดความรู้สึกนึกึ้นเราเห็นทัดเราสามารถพิจารณาได้ด้วยกายปัญญาในเวลาเดิมุ่งมุ่งเราจิตเราสงบกิเลสเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นในขณะที่เราเป็นมึ่งมุงาปัญญาเราพิจารณาได้ง่ายเพราะจิตเรามีสมาธิเรามีสมาธิเป็นบาฐาน นี่ก็ทาไปเรื่อยๆในเอวบกเพื่อไปไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สติจะเห็นกิเลสนทุกๆเอวบกนะถ้ากิเลสเกิดขึ้นนี้ในเอวบกไปก็แล้วแต่ก่เลกเกิดขึ้นก็ติจะเห็นอุบายปัญญาจะมีขึ้นในแก้ไขเมื่อพระนั่งสมาธิในเด่นมงคลจะมีสติมีปัญญารู้เท่าทนอารมณ์ว่าที่จะมาทํลายเรืงนั้นได้ มีสมาธิทีต่อเนื่องแบบน่งสมาธิสงบตอนนี้เดินก็สงบเดินก็สงไม่ว่าทำอะไรก็สมบนี่ความสนบคุณอยู่ในใจเราเมื่อความสนบคุณมีใจคิดเราเป็นมนึ่งี่เราคิดเ็นหนึ่งเนอกตาลมอยู่เสมอถ้าเป็นได้ระดับนั้นก็พอสมควรแล้วเมื่จิตเป็นเอกตาลมมีสติอยู่ในปัจุบัน ตั لف, ам, ้งมั่นอยู่ใัจจุบันตาเห็นลูกขวดระลมปัดก็ตถุเห็นปัญญาพุทมาทำลายเลยหูยินเสียงเกิดกิเลสเก็ดขึ้นวัตถุเห็นปัญญาทำลายเคุณถึม้ตากมรเห็นลูกหูนม่ได้ยินเสียงดุจเชยตามละท่าเถิดวัตถเห็นปุไายสปะเข้าทำลายรลมมังต่างดับมันไป จิตก็เป็นไปโดยทายขนาดจิตก็เป็นแบบนี้ถ้าจิตเข้าทั้งอยู่ในความบันดอยู่ตลอดวลาอยู่กับควารับความว้างของอารมณไม่ไตลึกบรืรีบเขียนเคยเระลกไหม่้นจิตเป็นยาเข้าทลายผู้กระทำจิตไม่เกขึ้นนานไม่เกิดขึ้นจิตเห็นมีถ้าจเข้าดูจะทำลายปเด็นนั้น พลายในุกๆกำหนดจุดก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนี่การปฏิบัติต้องมีสติที่ต่อเนื่องมีสมาธิอยู่ทุกๆเรื่อ่านนี้จะเห็นสี่เหลี่ยเลื่อสนุกนักเดินเห็สมาธิตรงยาเดินละอยู่ตรงกลางอยู่ที่ใจเนาะเห็นสี่เหลีอยู่ตลอดเวลาสี่เหลี่ยขึ้นหนึ่งยางเพรพิจารณาละไปเห็นการก็พิจารณาละไปก็ค่อยๆ เมื่อไรอย่างอาเห็นอย่างกลางม่เห็นกลางก็เห็นอย่างเรือรื่งต้นต้งต้องเอาความความโลภคัาอยากมีตัดไปู่ในโยสารแฝงพิจาณาเท่าเลยความโกรธความมตาพิาราไปทุกอนไม่เกยเห็นความพอใจความไม่พอใจอย่างเรือเรเกดปาในอรมณ์อย่างเรือเพิจารณาทำลาย อรมเาหยียดหยปกติแล้วลูกเเป็นลักษะนี้ไม่สามารถที่จะทำให้ใจว่างไนได้แต่การพอใจการไม่อใจเหยียดในใจอก็ยิ่งแต่เในยาตมดทั่วไปที่ไม่มีรูปไม่มีเห็แต่ว่าสตุปนาก็เข้ารงตักันลายได้เรืองหน้าของเนสมาธิสตุปนาหรืว่มีสตุอยู่ตลอดเวลาเวลาผน วัตูุยังไม่ต่อเนื่องในบื้องต้นแต่ก็ถืกเล่าถือเล่าวตถเล่าก็เห็นขีดแรกอยากมีรูป่งกลางมีขีละเอียดวัตถถือก็เห็นขีดละเอียดขึ้นมาเื่อมีเครืองทำนย่านี้จริงว่าเครน่องทำใ้มีต่อเนื่องปฏิจจาที่สม่ำเสมออยู่างหน้าเราถ้ามีที่ เมื่อปกติทำไม่ต่อเนื่องนไม่ได้เกิดสมาธิจิตญาณบาตทีทาไปสักพักหนึ่งก็เปยมเรื่องผิดภายนอกมากมายยังคงไปนัน้อเรืนมากบ้างเรื่องรการก่อสร้างมากเรื่อต่างๆที่ไม่เกี่ยวการภาวนามากๆบางทีมีกิลจะเป็นแ้วว่าดิ้ตายง มีกิเลสอยู่ภายในใจเลยนะเกิดไม่ได้เลยละพละอารมัต่างๆเยอะเพราะว่าขนาดอยู่ที่สมองมันแกิเไม่ได้พ้าละพลังต่างไหนจะแยกโดมไหนจะท่าเนยในเรื่องทางก่อสร้างในเรื่องจุตมนต์น้ทับถมลงไปเรากิตั้งอย่างของเรื่องกิเลสกิเลในใจเจ้าของมยะยะถ้าเราลงจะจากัน เพาว่ากิเลสพลังกับดากหาสถานที่ให้บ้างที่เคยพูดคำว่ามาถวายที่บ้างนับเป็นข้าวว่าเป็นหน้ายื่นเดี่ยวการขอข้าวหน้าบ้างสิ่งเงินภายอกบ้างเลิกการตานาเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ไปก็ไม่ภานาครทีว่าหลายวัน เมื่อปไห้ติดต e. ่อให้ต่อเนื่องปติปทาไม่สม่ำเสมอเมื่อสติสมาที่ไม่ต่อเนื่องปัญญาจะกิดขึ้นได้ไงสิคะที่จะมาศึกษามาปฏิบัติฉันเร็จแล้วล้างบาปด้วยบากแตกตาข้าวุกไม่แยาย้ายกับปกปุกไม่ใช่กับุ่มกันไม่มีที้ล่าเลยข้าปรุกปอนาไม่ใชเข้าปกุกจะนอนข้าวปุก ความคิดเพื่อรับผลตัวผลเข้าี้โดยมึงคนเรียนสมาธิภาอนามีการคุยเป็นน้อยเคื่อมคุยมากคคยอันที่คุเรื่องทั้งโลกเรื่อยาพยายาเืนหมนกันผงโผ่ขึ้นมาแลกันเรื่องการภาวนาเป็นสำคัญเรื่องงานไปมากมันไม่ร้ดก็เสนี่ค มันจะเกียหายต่างกระชัอยาให้ใจเลยเกียหายสาคัญที่สุดเรืนองปัญหาอะไรมันมีอะไรอีกับกเราว